กราบดิมลพระจันยูกิครับพูดธรรมะให้พวกเราฟังขอกราบคารวะพระธรรมตรอยพระพุทธประธรรมผสมและขอคารวะครูบาอาจารย์พ่อกรมและก็ กันาตมิตรพระคุณเจ้าทุกท่านแล้วก็ขอเชิญพรเมตชียรยมทุกๆก่คนครั บ, <c oughs> บก็ตามสบายๆนะครั บ, บก็หลังจากทรรมดก็ดีแต่งโอกาสจะได้ฟันตามก็ดีได้ปฏิบัติธรรมก็ดี เราก็มีพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจธรรมะมีอยู่แล้วเพราะว่ามีสมาธิตอนที่ทาวัดก็ลมหายใจก็ลึกๆแล้วก็ ต่างกายต่างใจก็สบายเบาใจเบากายมีความมาั่งกลอยู่ที่ใจรละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้ว เป็นสาระเทมที่พึ้นของเราก็ น, นี้ก็มันรู้สึกขอบคุณใจแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความมั่งกรมเพราะว่าเราก็ อยู่กับธรรมะชีวิตคนเราก็บางทีก็มันหล่นทางกำบ้านเดิมตัวบ้านแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มีที่ขับบ้างของจิตใจก็เป็น พระปุดระตำประสมแล้วก็มีความาเชื่อเป็นสัตตาเรื่องสต่อพระพุทธศาสนา พระพุทธเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสมเป็นสรณะไม่มีความรังเดสงสัยในการเชื่ออาศัยพระรัตนตรยัย ก็เราก็ที่พึ่งของจิตใจได้เท็มที่เพราะฉะนั้นนี่ก็ธารมดเช้าก็ดีธรรมดเย็งก็ดีก็รักถื่นปุงคุณคอมพระพุทธ เจ้าประถามประสนนี่ก็มีความหมายมีค่ามากเราวางใจได้แล้วก็หน้าที่ของเราก็อาศัยธรรมะแล้วก็ปฏิบัติ คำสองของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคำสองนี่ก็เป็นปัญีาสัตว์สีเป็นธรรมะเป็นสีโข้อทุกสมไตนีโลธมักทุกขันนี่ก็ เราก็ผเชิญทุกทุกวันทุกวันก็ว่าได้ทางกายทางใจทางเวทนาก็มันทุกข์ได้จิตปรนแต่งก็ทุกข์ได้สังขารร่างกายจิตใจ เป็นทุกข์ได้แต่ว่าเรามีโอกาสเป็นมนุษย์ก็มันรู้ความทุกข์ได้ไม่ใจเป็นทุกข์ตลอดเวลาได้มันรู้แล้วก็ เป็นนี่บางคนละอย่างกันต่างกายรู้อากายก็ทุกข์หิวกระหายน้ำเจ็บปวดถ้าเป็นก็เจ็บเจ็บแย่แย่แต่ว่าถ้าเรารู้เห็นว่าเจ็บ แหงว่าหิวแหงว่าร้อนหนาวมีความสามารถที่จะเห็นนี่ก็มนุษย์เราก็มีความสามารถอยู่แล้วแต่ถ้าเราเดิมตัว ไม่ได้เห็นเพราะมันเดิมสติก็ว่าเจ็บปวดเป็นทุกข์กายแล้วก็ซ้ำทุกข์ใจด้วยสร้เรื่อนว่าเจ็บแล้วก็เป็นต่อไปอนาคตเป็นยังไงยังไง หรือว่าเหตุผมหาเหตุผมว่าเป็นอะไรเป็นอะไรคิดมากคิดมากมันเครียดนี่ก็มันเป็นความทุกข์ทางใจด้วยมันเป็นทุกเป็นมีสามอย่างนะ ก็ทุกตา ท, กกทุกกระตุกกตานี่ก็เป็นทุกตากายก็เราก็จริงๆมันเปลียงโอกาสที่ดีถ้ า, ถามันทุกตากายมันก็เจ็บปวดมีอยู่แล้วหิวก็มีแล้วถ้าเราไม่หิวกินก็ไม่กินข้าวอาจจะตายได้ หรือว่าถ้าเราไม่เจ็บมีไฟสัมผัสกับไฟไฟมันก็ไม่ร้องไม่ทุกไม่เจ็บนี่ก็อาจจะเป็นทำลายร่างกายถึงตายได้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นปัญญาของร่างกายก็ว่าได้เพื่อจะ ให้รู้ว่าจะอยู่ได้ป้องกันความอันตรายแก่ไลได้สัญญางให้แก้ไลรักษาไม่ให้เสียชีวิต ก็เป็นมาจากความทุกข์ความเจ็บความปวดนี้ด้วยบานทีเราก็มีความเจ็บกายเช่งว่าเจ็บคอหรือว่าอาจจบปวด ถ้าเราไม่อยากแข็งไม่มองไม่มองก็อาจจะเป็นเป็นโรคร้ายแ่นต่อไปได้แต่ว่าถ้าแห็งอะเนี่ก็เจ็บกอหรือว่าปวดปอด ถ้าเห็นแล้วก็พยายามที่จะกแก้ไขอาจจะมีเหตุผลก็แจ้งว่ า, าสซบูดีไปมากหรือว่าเจ็บปวดตายมิงกินเล้ามาก ก็เราก็รู้ก็แก้ไขได้นี่ก็มันก็ความเจ็บปวดนี่สัญญาณให้เรารู้แก้ไขรักษาและทุกข์องอันที่สอนนี่ก็เป็นทุกข์ที่เปลี่ยนไป มาจากความเปลี่ยนถ้าเป็นสุขยินดีก็กลายเป็นหายยินดีได้แก่เจ็บตาย เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นธรรมชาติแม้ว่ายินดีมากมีความสุขมากก็ละลายไปเป็นหายมีความรัก รักคนรักแพน่นดินดีมีความสูกต่อไปก็จะเบื่อนายไม่ก้อยจินดีตอนที่จินดีมากที่สุดก็เบื่อนาย ก็เราก็ตอนรู้ว่าเป็นธรรมชาตินั่นเกิดแล้วลาบดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถ้ารูแล้วก็เราก็เตรียมตัวได้ตอนที่ยินดีก็ให้รู้ให้แหงตอนที่ยินมันทุกข์ ก็ไม่เป็นไรจะเปลี่ยนเป็นสึกได้เราไม่ยึดมั่นถือมั่งกับอาการสุขทุกข์เพราะว่ามันก็เปลี่ยนเปลียเป็นธรรมดาธรรมชาติทอนที่เราดินดีมาก ก็ให้รู้ไม่ต้องกำบันใจว่าต่อไปอาจจะความยินดีก็หายไปก็ไม่ต้องคิดว่าได้ไม่ต้องกาบองไม่ต้องกำบองกำบองกำไว้ก็ได้นั่นก็ดีดก็ ด, ดีทั้งนั้น แล้วก็หายแล้วก็หายก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่งทุกสึกก็เกิดขึ้นตางใจตามใจเป็นธรรมชาติอารรู้แล้วก็ ก็จิตเป็นปกติอย่างธรรมชาอยู่ก็ทุกที่ส3มสามยานสามกติสามนี้ก็เป็นสังคาระทุกข์มันจิตปรุนแตนอยากได้นี่อยากได้นั้น อยากเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นมันจิตก็สร้างแต่ว่าไม่ได้ผมไม่ได้สมหวังก็ทุกมันก็เป็นธรรมดาแค่ น, นี้ก็เราก็แก้ไขได้ ก็แก่กายก็ไม่ให้ปรุนเตนสังการทุกมันก็มีมาจากว่าจิตมังปรุนเตนคิดนี่คิดจะทำนี่จะพูดแล้วก็ <c oughs> เหตุผลมาก่อนก็เลยไม่ได้พอใจต่อไปได้แต่ว่าถ้าเราไม่สร้างไว้ก่อนก็ไม่ได้เกิดได้เพราะว่าเราก็ู้จาก ด้ยจากความาไม่ปลุงต่นได้ก็สินที่ทุกมันทุกตาลใจมังเกิด ก, ก็เพราะว่าเป็นตังขาปทานนั่งเอนนี่เป็นอริยสัต ข้อที่สองเป็นสมไตสัจจะถ้าเราแหนทุกข์ก็มันเกิดแหนสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ต่างกายต่างใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้น มันมีเหตุผมเอาเราไม่สร้างให้ดับไปไปพยายามที่จะละทิ้ง ไ, ไปต่างหานี้ก็ ก็สามอย่างกามาตังาต้งหาภาวะตั้งหาปิดภาวะตั้งหากามาตั้งหานี้ก็เป็นรักไปดู เสียงรสปปรถชาติธร ม, มาอารมณ์ทุกเสียงนี้ก็มีรสชาติอยู่เราก็อยากได้ ถ้าเราไม่ได้สวงนิสิทางงหกนี้ก็เป็นธาตุของมันพบแล้วก็มีความอยากต้องเกิดขึ้นแล้วก็ ก็เราก็เถิดดึงไปนี่ไปนั่นเป็นท่าของตอกไม้ก็ได้ท่าของคงก็ได้ท่าของเสียนไป่ล้อ ก็พยายามที่จะรู้ปล่อยได้จะได้กลับมาอยู่เป็นเจ้าของได้อยู่แล้วก็สำรวมกายว่าจะใจสำรวมทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้ เราตั้งหาประตานความอยายึดมั่นถือมั่นไหมก็ให้รู้แต่รู้แล้วก็อาจจะไม่พอก็เราก็ปล่อยมันก็ปฏิบัตินี่ก็ปล่อย เป็นอิสระก็เกิดขึ้นอิสระจากทุกสินทุกอย่างด้านโ น, โนด้านในความพอใจความภูมิใจมันก็เกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าเป็นตานใจ เป็นภาพรู้ว่าเรื่อนความคิดที่สร้างขึ้นมาเราก็ธาตจิตกับมันเป่งกับมันก็หมดอิสระเพราะว่าเราก็เถอกดึง จากภาพเรื่อนของที่ที่สร้างขึ้นมาเองก็ให้รู้ตื่นตัวออกจากฝันในใจก็อิสระขึ้นได้ เบากายเบาใจเป็นปัสสติเป็นสมาธิก็เกิดขึ้นเพราะเราก็ไม่ได้ฟูฟูแฟงแฟบกับใจของตัวเอง ความสว่างความสงบความสะอาดเพราะเราไม่มีไม่ได้ตังหาออปทานตั้งหาอปทานดับไปก็สงบสบายสะอาดสมบูรณ์ มันก็เกิดขึ้นมาแอนถ้าทุกน้อยรมของตัวเองก็มีจิตเมตตากรุณาก็ขึ้นมาแอนเราก็มีพลันใช้เพื่อประโยชน์แกเพื่อน ว่าประโยคแก่สังคมได้ถ้าเราหมดพลังหับความคิดของตัวเองหรือว่ า, าสร้างเพื่อสร้าง ความคิดปรุนแกมไปนี่ก็หมดปลญญาใจไม่มีเรือที่จะเฉยเรือพื่งก็ได้แล้วก็ เป็นความดับทุกเป็นข้อที่3ของเรียสัตว์สีนี้ก็ให้รู้จักความดับความดับทุกนี้ก็ถ้าไม่ใช่ว่าเป็นนิพพานเป็นท้าวองก็ยันดับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้เราไม่ต้นรบนิพพานอนาคตจะชาต ชาหน้าสองชาหน้าสิบชาหน้าไม่ต้องรอแล้วก็ให้ดับไปในปัจจุบันด้วยสติด้วยปัญญาก็ได้นิพพานปัจจุบันนี้เจ่ากล่าวก็ได้ก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ดับไปให้ดับไป จะได้ต่อไปนิพพานเป็นถาบนมได้เป็นความดับทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัตินานๆจะได้ถึง มีหมอญี่ปุ่นก็เคยมาที่นี่แล้วก็ถามอาจารย์คำพลอาจารย์คำพลแต่งตมบุญนุ่มก็ถูกของคนหลายของแอง่์คนรู้จักเขาเขาตาหมอญี่ปุ่นเขาถามว่า คนที่จะรู้คนที่เป็นด้ว่าก็จะตายหกเดือนหน้าสิบเดืเอนปีหน้าคนนี้ก็จะแก้ไขทุกรักษาทุกได้ไหมรักษาใจ ให้หายทุกได้ไหมก็มาจังกรําผมก็ตอบว่าถ้าเรามีสติ1นนาทีก็หมดทุก1นนาทีถ้ามีสติ10นาทีก็หมดทุก10นาทีถ้ามีสติ6เดือนก็หมดทุก6เดือนก็หายทุกได้ก็ตอบว่าอย่างนั้น ้อนี้ก็กินจินเราไม่ต้องรอหายทุกชาติหน้าเรามีสติรู้ตัวปล่อยความทุกข์ทันทีเป็นธรรมะนี่ไม่จำกัดการเป็นอากาลิโกได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลทันที ก็ดับทุกตันทีในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ให้เป็นนิสยัยก็เป็นถาบอนได้ให้รู้ทัวให้รู้เท่ารู้ทันในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ให้ปฏิบัติธรรม ที่พื้นฐานก็ให้ยกมือสร้างจังหวัดินจงคมนี่ก็เป็นเป็นรูปแบบก็ใช้ได้สร้างพื้นฐานแต้ว่าเราก็พยายามที่จะขยายเวลาขยายโอกาสขยายสถานที่ขยาย ีเดียบดินเดินนั่นนอนตอนที่เดินตอนที่ชังเข้าวทั้งข้าวที่ทำความสะอาดให้รู้ตัวให้มากขึ้นให้รู้เท่ารู้ตังให้แล้วคุณจะได้เบาจะได้สบายไปเรื่อยเรื่อย จะได้หมดทุกสิ่งจนเพราะเพราะฉะนั้นนี่ก็เราก็ก็ปฏิบัติธรรมแต่เป็นใจโอกาสที่สุกัตโตให้เต็มที่นะครับก็คิดว่าพอสมกวรใจเวลาก็จบเปลี่ยนแก่นี้ ขอให้ทุกๆตั้นมีความสุขความเจริญท่านใจปฏิบัติตามได้หมดทึกสิ้นจนต่อไปนะครับเจริญพรอง